รูแล้วแต่ปราศจากความสุขแล้วเราก็อยากจะให้ลูกหรือหลานของเรานะมีความสุขแต่เราก็คงตรัสว่าการที่ทุกร้านของเราเจะมีชีวิตฝาสุขได้มันก็ต้องมีการทำความเพียรนะเช่นการศึกษาหาวิชาความรู้ มีวิชาความรู้แล้วก็ก็ต้องนำเอาความนั้นไปใช้ในการสร้างรือสร้างตัวแต่จะรวไปถึงการมีครอบครัวที่ผาสุกถ้าแล้วาวรจะตระหนักด้วยว่าในกระบวนการที่จะนำไปถึงความสุขเนี่ยเราก็ต้องมีู่กษิต้องมีตันหมา หรือผู้น่าจะต้องมีความสุขเกิดขึ้นเส้นทางสู่ชีวิตที่ผาสุขและเติมอกางงามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เส้นทางที่ราบรื่นเมื่อกลับถึงสุสานไฮเวย่ยแม้แต่ถนนสุสานไฮเว่ยเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะจะรับรื่นและสมบ อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อุปัติเหตุระหว่างทางหรือว่าภัยธรรมชาติที่ทำให้น้ำท่วมทางขาดทำให้การไปถึงจุนไม้ไกลทางช้าลงหรือว่าจะต้องเหนื่อยมากขึ้น แต่เรื่องที่บอกนะว่าเส้นทางสู่ชื่อที่พาสุนใ น, นความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่เป็นถนนซุขภัณฑ์หรือทางหลวงอยู่แล้วมันไม่ราบเรียบขนาดนั้นมันก็มีความผุครามากบ้างน้อบ้างจะเรียว่าะปสรรคด้วยความทุกข์เขาแลกแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกรัาเราเนี่ยจะไป บรรลุถึงจิตหมายปลทางที่เป็นความสุขได้ก็ต้องมีความพร้อมที่จะเผชิญจะอุปสรรคเผชิญความทุกข์เพื่อจะได้ก้าวข้ามไปให้ได้ให้การที่เข้าถึงความสุขแล้วก็ต่างคนความทุกข์นี้มันอาศัยหลายอย่างนอกจาก วิชาความรู้นอกจากเครือข่ายความสัมพันธ์ของครอบครัวของมนะิสหาเนียที่เราเรียกเงี้ยคอนเนคชั่นรวมทั้ง เ, เครื่องไร้ขีดมือต่างๆนะแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นต้องมีอย่างหนึ่งที่สาคัญคือทัศนคติหรือการวางใจให้เป็น มีความรู้ ม, มากนะแต่ว่าวางใจไม่ถูก <c oughs> เวลาเจออุปสรรคเจอความทุกข์เจอความผิดหวังเจอความรมเหรวทั้งในการงานแในชีวิตไอ้ความรู้นั้นเนี่ยก็อาจจะเอามาช่วยอะไรกับไม่ได้เลย พี่นำซ้ำยังอาจจะใช้ความรู้นั้นเนี่ยไปในทางที่ผิดคลาดซ้ำเติมตัวเองหรือว่าทำให้หลํจาจรในความทุกข์มากขึ้นก็กลายเป็นว่าไม่สามารถจะบรรลุถึงความสุขที่ปรารถนาได้แม้จะมีเงินนะมากมายก็ตามคนเราเนี่ยเวลา เวลาเรามีความสุขความจเจริญเนี่ยความสำเร็จด้วยเราก็คิดว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้เจ่นเงินทองวิชาวความรู้บางทีถึงขั้นว่ามันกลายเป็นสาระของเราเคิดว่าทำเงินแล้วเนี่ย ชีวิตจะรับรื่นประสัตสร์นะจะหมดไปขอให้มีเงินหรือขอให้มีพักพวกเครือข่ายหรือแม้ทังข อ, งของมีวิชาวความรู้แต่มันก็ไม่แน่มีหมอคนหนึ่งเนี่ยขึ้นชื่อว่าหมอเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเป็นคนที่มีวชาวความรู้ มีสติปัญญาไ ม, ไม่งั้นเนี่ยเป็นหมอไม่ได้ตอนหลังเนี่ยก็มาประกอบธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จตอนหลังก็ได้แต่งงานนะกับนักธุรกิจด้วยกันก็สามารถสร้างธุรกิจให้เติบใหญ่ ทำไมทราบเป็นธรุรกิจร่วมกันหรือว่าต่างคนต่างทํา น, นะแต่พูดง่ายก็คือว่าเธอคุณหมอท่านนี้ก็ประสบความสาเร็จตั้งแต่ยี่ยังไม่มากมีทั้งคุณอาวุธนะมีทั้งรูปสมบัตินะมีทั้งทรัพย์สมบัติแต่และววันนึงเนี่ยหาที่เธอที่ยังไม่มากแค่สามสิบต้นต้นกลาหรือว่าสามสิบกางกลางเพราว่าสามีก็เลิกทาง คงจะเป็นคนมีผู้หญิงคนใหม่เธอตกใจเธอเสียศูนเธอผิดหวังมากเลยไม่เคยไม่เคยฝันความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเธอเล่าว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่เหลือะไรเลยในชีวิตไม่เหลือะไรเลยในชีวิตจริงเนี่ยเธอยัทุกอย่างครบยกไปอย่างเดียวคือสามี ยังมีเงินยังมีธุรกิจยังมีพ่อแม่ยังมีชื่อเสียงมีสถานะยังมีอนาคตพ่อไม่จ็บไมนป่วยอะไรไม่ใช่คนที่กาลังเป็นมะเร็งแต่เธอตอนนั้นรู้สึกว่ามันมันก็ไม่เหลืออะไรเลยเธอเล่าว่าเนี่ยทุกที่เธอทีดรับรื่นเนี่ย ว่างว่าก็ออกเอาเพชรเนี่เผ็ดเอาเพชรเนี่ยซึ่งมีเยอบ้างกเวยอามาโรยอามาโรยอยู่บนโต๊ะเห็นเพชรก็มีความสุขแค่เห็นเพชรนี้ก็มีความสุขแล้วแต่พอถึงวันนั้นเนี่ยวันที่เธอสูญเสียสามีออเอาเพชรมาโรยเนี่ยเธอบอกมันไม่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลย ไอเพชรเนี่ยราคาทั้งหมดเนี่ยมันคงหลายสิบล้านนะแต่ก่อนเทรลเปิ้ล ม, มีความตัวแต่ตอนนี้่มันไม่มีความหมายเลยมันช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยซึ่งในทางความเป็นจริงเพี ย, มมเยงเดียวเงินทองที่มีเดือนสิบล้านร้อยล้านมันก็ไม่ทําให้เธอเหายทุกไอเพชรที่เธอมารวยเนี่ยตอนนั้นเธอว่ามันเหมือนกับก้อนหิหนเรือกรวดเลยมัน ม, มีความหมาย อันนี้คือตัวอย่างคนซึ่งเข า, เ, าเขามีทุกอย่างนะจิเสิทธคขาดนะก็คือมุมมองหรือการวางใจหรือเทตามาเรียกอย่างาทัศนคตินี่คือเหตุผลที่เขาไม่เธอหายข้อหาธรรมนะแล้วก็พบว่าโมทธรรมานี่มัช่วยทําให้เธอนะก้าวข้ามนิตรนั้นไปได้แล้วก็ ัวนี้เธอายังก็เป็นนักธุรกิจที่ประกอบนะธุรกิจที่มีชื่อนะแล้วก็ได้รับความใส่ใจพอสมควรถึงตอนที่เธอคงจะรู้ว่าเงินก็ดีวิชาความรู้ก็ดีหรือสมบัตินอกตัวก็ดีมันไม่พอนะาการที่เธอจะก้าข้ามความทุกข์ลุกระสังในชีวิตได้เธอต้องมียงอย่างอื่นด้วย สิ่งที่อยู่ข้างในทัศนคติจิตใจการวางใจให้เป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็มายอมกับทําบ้างหรือว่าทํามบ้นี่ยช่วยทําให้เราวางใจถูกทําให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องหรือมีคุณภาพจิตที่ดีที่ทําให้ เราสามารถจะ ก, ก้าวข้ามความทุกข์ได้นี้ก่อนถึงความก่อนที่พูดถึงท่าสันติกับความทุกข์เนี่ยก็อย่าพูดเรื่องความสุขก่อนแล้วสิ่งที่รูปเราเราควรจะตระหนักรวมทั้งผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือภรรยาใจยหญ่ก็คือว่า ความสุขเนี่ยมันมีหลายระดับมันมีหลายประเภทความสุขประเภทที่สัมผัสได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้เร็วเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากการเสด็จการมีการได้กินะอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะนะมีเสื้อตัวใหม่มีโทรศัพท์เครื่องใหม่มีรถยนต์มีบ้าน อันนี้เราเป็นความสที่เกิดจากการเสพการมีการได้เอาส่วนี้เนี่ยต้องมาใส่วัตถุสิ่งเสพวัตถุสิ่งเสพก็เป็นมีความหมายกว้างนะอาหารที่อร่อยเครงที่เพราะน้งที่สนุกสนานะหรือว่าเงินทองเข้าของรวมทั้งสถานที่ที่ มันน่าตื่นตาตื่นใจอันนี้กเรียกว่าเศร็จเหมือนกันนะเศร็จทางตาเราอยากไปท่องเที่ยวอยากจะเพลนที่แปลกใหม่ๆนะเชียง mm hmm. ใหม่บ้างกูเกตบ้างหรือว่าฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาพวกนี้เพื่อจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ๆบางที่ก็อยากจะไปทิสเนียวไอ้พวกนี้เนี่ยคือการเศร็จ mm hmm. เราไม่ได้เศร็จทางทางปากอย่างเดียวนะเราจะเสร็จทางตา รวมทการที่เรามีหลักการที่เราครอบครองอันนี้พวกทุกคนสัมผัสได้รู้สึกได้นะเวลาเรามีของใหม่นะเวลาจะมีเสื้อตัวใหม่รองเท้าตัวรองเท้าคู่ใหม่นะรถคันใหม่มีความสุขแต่ว่านั่นเป็นความสุขระดับพื้นพื้นถ้าเราคิดว่าความสุขมีเท่านี้เนี่ย คิดเราเนี่ยจะกลายเป็นพึ่งพาสิ่งภายนอกเราจะกลายเป็นท่าทีงวัตถุสิ่งเสียไปโดยไม่รู้ตัวก็คือว่าคิดแต่จะว่าทํำงานนี่จะมีให้มากทำงานนี้ก็ได้มากถ้าเป็นลูปล้านเนี่ยนะคิดก็จะขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้ <Okay. S 1> พราะความสุขทั้งหมดเข้าจะอยู่ในนี้ ดูในโทรศัพท์หรือ่าผ่านทางโทรศัพท์ฟังเพลงดูหนังอ่านลาไลน์การอ่านไลน์หรือการเสดข้อมูลข่าวสารก็เป็นการเสดอย่างหนึ่งนะนงรวมทั้ติดต่อนะักับคนนะาแต่จริงๆแล้วมันมีความสื่อประเภทหนึ่งเป็นความสุขที่ที่มันประณีตประเสริฐกว่า เป็นความสุขทางใจความสุขทางใจเนี่ยนะมันมันเกิดขึ้นได้ไหลายอย่างนอกจากการเซนอกจากเวลาเร่องงความสุขทางใจเนี่ยนะเราจะมาเรืการนั่งสมาธิแต่จริงมันมันมีมากกว่าันนะแต่เราก็ควรจะรู้จักความสุขที่เกิดจากสมาธิเหมือนกัน ความสุขชนิดนี้เนี่ยทางใจเนี่ยมันได้แก่ความสงบมันได้แก่ความปิติความภาคภูมิมนะมใจมันมีหลายระดับนะความสุขทางใจมีหลายระดับระดับพื้นๆก็ไอความปิติความภาคภูมิใจนะลึกที่สุดไปเนี่ยก็คือความสงบ ที่เกิดากการปล่อยวางความสงบที่เกิดจากภ า, าวะที่ไร้กิเลสแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะคิดว่ามันไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าถึงได้นี้ความสุขตามวัต ถ, ถุเนี่ยนะข้อดีคือมันเราเข้าถึงเร็ว มันให้ผลทันทีกินอาหารเที่ยอร่อยก็มีความสุขเลยแค่มีเงินเนี่ยนะเราก็มีความสุขได้ง่ายๆะไปช้อปปิง้งไปเที่ยวห้ามมันเร็วแต่ข้อเสียคือว่ามันมาเร็วแล้วก็ไปเร็วก็คือเบื่อเร็วปัญหาคนสมัยนี้คือว่าสุขเร็วแล้วก็เบื่อเร็วมีเสื้อม่รูกี่สิบตัวแล้ว ก็ไม่เคยมีความพอใจสักทีเพราะว่าพอได้มาบางทีไม่นันได้ใส่เลยสองสามเดือนเราก็เบื่อแนละ้วอยากได้เสื้อตัวใหม่กางเกงตัวใหม่รองเท้าคู่ใหม่สมัยก่อนเนี่ยเพื่อนกนะ็ชอบซื้อซีดีซีดีเพลงตอนนี้ก็ซื้อแล้วก็มีความสุขนะแต่พอผ่านไปสองสามวันหรือผ่านไปสองสามที่ก็เบื่อแนละ้วอยากได้แผ่นใหม่ ความสุขนิดนี้มันมันไม่เคยทำให้เราสุขพอใจสักทีเพราะว่าความสุขแบบนี้มันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็มันก็ไปเร็วเขาเคิดการสอบถามคนที่ถูกรัตเตอรี่สลากกินรดสลักกินแบงในอเมริกาประมาณพันคนอเมริกาที่มันมีสลากกินก็สลักตินแบงเยอะมากนะทุกรัฐก็มีบางทีทุกเมืองต่างๆก็มีของตัวเอง แล้วก็เงินก็รางวันก็ได้ก็ใหญ่ก้อนใหญ่ก็พบว่า90นหรือเกือบจะ100เอซนเนี่ยจะมีความสุขตอนที่ได้ตอนที่ได้รางวัลจะมีความสุขแต่ความสุนัขเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยความรู้สึกก็จะกลับมาเป็นปกติหรือว่าเหมือนกับตอนก่อนถูกรางวัล ก็คือความสูงที่มันเป็นเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วมันก็ลงจนมาหยุดในระดับเดียว ก, กับก่อนที่จะมีปอาเที่ยวถูลัเตอรี่บางคนก็ไม่ถึงหกเดือนบางคนก็สองสามเดือนเท่านั้นเลพราะนั่นคือในเคอร์บอกว่าทำไมเนี่ยคนที่ลูกหลานเราเนี่ยบางทีเขามีความสุขที่ได้ของเล่นแต่ผ่านไปไม่กี่วันไม่กี่เดือนเ้าก็ อยากได้อีกอยากได้อันใหม่เพราะอะไรเขาก็เบื่อแล้วไอ้ของเก่าเขาดีใจแต่ความดีใจก็อยู่ได้ไม่นานผู้ใหา่ก็เป็นก็เป็นเหมือนกันนะความดีใจของผู้ใหา่ก็อยู่ไม่นานทาให้ต้องแสวงหาเรื่อยแสวงหาเรื่อยและการแสวงหานี่มันเหนื่อยเดี๋วนี้เนี่ยนะ ผู้คนเนี่ยถือเอาเงินเป็นสรารณนะก็คิดว่าเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวซื้อความสุขได้เป็นประตูไปสู่ความสุขเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสุขแต่ว่าเขาไม่ไดตราหนักว่ามันความสุขที่เขามีเนี่ยหรือเขาอยากจะได้เนี่ยมันเป็นสุขที่เจอไป็นที่ทุกเคยมีใช่ยหนุ่มคนหนึง่งไปกราบ หลวงปู่ดูปรหมปัญญว่วสักแกวิทยาท่าทรนรณภาพาไปสิก ป, ปีแล้วท่านคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งไปชอบพับอุปคุตมาหลวงปู่ก็ถามว่าชอบมาทาไมชอบมาจะได้รวยนะครับหลวงปู่ลงปู่ฟังแล้วก็เลยพูดเบาๆเออรวยกับสวยไหนใกล้กันนะ <c oughs> หมายความว่าไงหลวงปู่คือแล้วท่านก็ตอว่ามันเขียนคล้ายๆกันแต่แ้ท่านก็อธิบายว่าไง รวยเนี่ยนะมันต้องเหนือการแสวงหาได้มาแล้วก็ต้องเหนือการรักษาเไว้แต่ทุดท่านก็ต้องเสื่อมไปหายไปก็ทุกข์อีกนละยคือมันมีแต่ทุกข์อะแล้วหลวงปู่ก็เลยว่าอย่าหวังรวยกันนะให้ทำดีดีกว่าพยายามทำดีครูเจ้ากลับว่าความสุขจากวัตถุ นะภาษาธรรมะเขาเรียกว่าการมาสุขการมาสุกคือสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายหรือเกิดจากรูปรสติ่งเสียงนะการาสุกเป็นความสุกที่เกิดจากการเสดทางตาหูจมูกลิ้นกายนะมันเหมือนกับไฟที่เกิดจากคบคบไฟนะที่ทําด้วยได้แหงคือเวลาจุดคบไฟช น, นิดนี้มันจะให้แสงสว่างก็จริง แต่ว่ามันก็เต็มไปได้วยควันที่มันระคายเคืองนะความสว่างก็ไม่ใสแลแทนไม่มีควันรบกวนและถ้าถือไป น, นานๆไม่รีบวางเนี่ยไฟมันก็จะไมหม้เลยหลายความว่าการผสมเนี่ยมันเป็นมันให้สูตรก็จริงแต่มันก็เติมไปได้วยถูกแล้ปูดูท่านที่บอกว่านเนี่ยรวยกับรวยมันใกล้กัน เพราะว่ารยเนยการมสุขเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันคนอยากจะได้การมสุขก็เลยต้องมีเงินที่เยอะและเดียเด๋ยวนี้แค่มีเงินเยอะแค่ได้เห็นเงินเนี่ยไม่ต้องได้ใช้ก็มีความสุขเลยเวแล้วคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอยากจะมีเงินทีเ่เยอะแต่อยากใช้เงินจำนวนมากนะเพราะว่าเห็นเงินก็มีความสุขแต่ถ้ามีเงินแล้วนะแม่ว่าจะเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังอยากได้ล้านที่หนึ่ ร้านที่สองร้านที่3าเพิ่มเติมมีอยู่ร้านที่เป็นร้อยแล้ยังได้อันใหม่อยากได้ร้านอีกร้านอีกแสนพราะความสุขทางการประสูสุดท้ายปลายทางนะครับนี่เป็นความสุขที่เกิดจากการมีนะเป็นความสุขที่เกิดจากการได้มีเท่าไหร่ก็ไม่ทําให้พอใจเท่ากับได้ใหม่และสิ่งได้ใหม่เนี่ยมันจะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่มีอเช่นมีร้านมีร้อยร้านมีพันล้าน ก็ออยากจะได้อีกล้านหนึ่งอีกสองล้านเพราะความสุขของคนเนี่ยมันไปผูกติโยการได้ไม่ใช่การมีมีเสื้อร้อยตัวยังมีความสุขไหมไม่มีแต่จะดีใจที่เกิดได้ตัวใหม่มาทาไมบางคนมีรองเท้าสองสองรอยคู่ถึงอยากจะหาซื้ออีกเพสองร้อยคู่ที่มันไม่มีสเสน่ห์แล้วมันหมดสเสน่ห์แล้วเบื่อแล้วอยากได้คู่ที่สองร้อยหนึ่ง ถึงแม่กล า, ายชุบันเราบางบนาคนมีสามร้อยคู่เรายัางรูสับว่าสอง้อยคู่นี้จะใส่ยังไงเขาไม่สนใจสามสองร้อยสเก้าคู่ที่เด็กเขาสนใจไอ้คู่ใหม่ที่ได้มาต่างหากเพราะความสุขที่เราบอกเกิดจากการได้ไม่ใช่เกิดจากการมีเราต้อง ม, มาไปมีบินทบาทนะเวลาบินทบาทก็จะมีหม า, หาตามมาและข้าวที่ทำมาได้เป็นข้าเหนีว เวแล้วหมาหมาตามมาตัวหมาก็โยนข้าวหนึ่งปั้นให้มันมันก็คว้ามันก็มันก็ข้ามมันไม่ทันจะเกลื่อนตัวมาโยนก้อนที่สองไปมันขายก้อนแรกไปกินก้อนที่สองตั้งที่ก้อนกระเท่ากันรสชาติกันเหมือนกันแล้วทำไมมันทิ้งก้อนแรกไปกินก้อนที่สองเพราะก้อนที่สองมันใหม่กว่าใช่ไหมไอ้ก้อนเหลเออยู่ปากเนี่ยมันไม่มีความหมาย มันอยากได้อันใหม่อยากได้ก้อนใหม่เหมือนคนเลยนะอยากได้ของใหม่ไอ้ของเก่ามีเยอะแยะเลยเฉยๆนะรถมีกี่คันเจ็ดแปดคันก็เฉยๆอยากได้คําที่แปดที่เ้านี่คือข้อจากัดของความสุขนะที่เกิดจากวัตถนะุเกิดจากการมีการได้ไมันมีความสุขเพิเกิดเป็นะความสุขที่เกิดจากการทำนะความสุขที่เกิดจากการทํา ความสุขชีนี่มันยังยีกว่าเพรามันส่งผลดีใจนะทำเนี่ยก็เช่นทำดีหรือทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จนะความสุขชี่มันทำให้เกิดความภาคภูมิใจถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและทำสำเร็จนะแต่เพื่อนเ่านี้เนี่ยนะโดยเพราเด็กๆ เ, เนี่ยเขาเขาไม่ค่อยรู้จักความสุขชีวิตดี เขาเขาไปตีหยกความสูนที่เกิดจากการมีการได้การสรูนะเขาไม่คยสนใจหรือเขาไม่ค่อยได้สัมผัสความสูงที่เกิดจากการทำบางคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรสิ่งที่มันยากก็สำเร็จได้ในผู้สนใจนะจะเป็นข้อสอบที่ยากจะเป็นการบ้านที่ยากนะาต้องมาเคยพา ทุกปีเนะมาจะพาคนไปเดินธรรมยาตราที่ทถววัดอรมาประมาณเจ็ดวันแปดวันเจ็ดคืนนะแล้วก็ทุกปีก็จะมีนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยมอเนี่ยยกชั้นมาเป็นวิชางคับมาเดินธรรมยาตราเพื่อมาศึกษานิเ ว, วิทยาตามสองข้างทาง เก่หลายคนเนี่ยไม่อยากมาเพราะว่ามันลำบากติดนอนกลาวจริงกาง้ยายแถมโทรศัพท์มือถือก็ใช้ไม่ได้นะกินหน้าบัดลมอันนี้ไม่มพูดถึงแฮมเบอร์เกอร์ไม่ต้องคิดนะมันไม่มีความสุขสบา ย, ยสิ่งเสพก็มีน้อยเมื่อเทกับชิดในในกลุ่มสองสาวันแรกแลายนก็จะมีความทุกข์มาก เพรามันทั้งเหนื่อยทั้งรอ้อนเพงก็ไม่ได้ฟังหนังก็ไม่ได้ดูนะโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นแต่พอถึงวันสุดท้ายเนี่ยหลายคนจะพูดว่าเนี่ยเขาก็าบอกวันแรกๆเนี่ยเขาอยากจะให้มันหมดเร็วมันเสร็จเร็วๆแต่วันตสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้เดินต่อเพราะก็มีความสุขพราะ น, นทุกปีเนี่ยจะต้องมีการแทน ให้เด็ววกผู้นี้ไปเดินอีกสองวันในป่าทำมาสิปีเลยกต้องมีวันที่เก้าที่สิบให้ไปเดินในป่าเฮ้สนุกการที่ตอนมาแรกๆนี่บายเบียแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มนั้นเริ่มที่จะเริ่มที่จะอยากจะเดินแล้วเพราะมีเพื่อน พ, นพี่ที่เขาผ่านเขาบอกมันดีอย่างโ้นดีอย่างนี้นะมันได้ท้าทายวัยรุ่นเนี่ยนะถึงแม้จะ รักสบายนะแต่พอมีอะไรมาท้าทายนะมันเริ่มสูเยเดินธรรมชาติที่มันเจ๋งนะถ้าเดินได้เสร็จมันเจ๋งนะลำบากแต่มันเจ๋งอนะ่ะมันน่าภูมิใจหลายคนบางคนบอกให้หมไม่ที่จนะว่าเดินได้วันลวก้านไม่ที่จะเดินได้เดินเดินเดินยี่สิบโลเนาะเดินเจอแดดแรงมากถึงแม้เป็นช่วงเดินทําวาแต่คนสู้ก็ทําได้เนะี่ยผมมีความสุขมาก มีความสุขมากแต่พวกนี้เนี่ยมันจะมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะทำให้เขารู้ว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความสบายอย่างเดียวในความยากลาบากเนี่ยมันก็มีความสุขให้เราได้เก็บเียวไดห้เราให้เราได้สัมผัสเพราะมันเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ได้ทำสิ่งยากให้สาเร็จได้ อ, อาจารย์เชื่อว่าถ้าว่าเด็กเนี่ยเขามีทัศนคติแบบนี้เนี่ยในการเรียนเนี่ยเขาจะเรียนอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเรียนจะยากเด็กสมัยนี้เนี่ยคุ้นเคยกับการมีการได้จนชินจนกระทั่งเวลาเรียนหนังสือเนี่ยสนใจแต่อยากจะได้คะแนนเขาเป็นฝ่ายรักตลอดเวลาเขาคิดว่าความสุขเนี่ยมันเกิดจากการมีการได้จากการเสพ เพราะงั้นเวลาเรียนเนี่ยเขาก็หวังแ ต, แต่ว่าจะได้คะแนนมากๆจะได้เกรดสูงๆแล้วพวกนี้เนี่ยนะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยจะไม่อยากเรียนจะไม่ชอบครูที่สอนจะไม่ชอบครูที่ให้การบ้านเยอะๆแล้วพวกนี้เนี่ยพออยากจะได้อยากจะได้คะแนนเยอะๆเนี่ยอยวได้เกรดดีๆทำยังไสุดท้ายก็ใช้วิธีลอกใช้วิธีตัดๆใช้วิธี กับทุจริตแต่จรที่เขาพบ ว, ว่าความสุขที่เกิดจากการความสุขมันเกิดจากการได้ทําจริงยากเขาจะมีความสุขการเรียนมากคะแนนไม่ใช่ เ, เรื่องใหญ่ mm hmm. เขามีความสุขการที่ได้ทําการบ้านมีความสุขการที่ได้ทําโปรเจกต์โครงการที่มันยาน mm hmm. กเพราะเขารู้ว่ารสชาติของของของการที่ได้ทําให้มันสําเร็ จ, เส ร, จเสร็จสิ้นเนี่ย โดยนำควาตระแรงตัวนี้มันมีความสุขอย่างไรมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างไรแล้วคนนี้เนี่ยถึงตุดหนึ่งเขาก็นะอ่าไม่ถือว่าถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่าคะแนนเนี่ยไม่สําคัญท่อความรู้มีมีอัาบารรู้จักเ um, ด็กคนหนึ่งนะเด็กเป็นเด็กมัธยมมัธยมสามมัธยมสี่ เต็กกาลสินเป็นเดกเรียนเก่งวันหนึ่งเนี่ยมีการสองไม่รู้วิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาจี น, นครูเนี่ยเพราะว่านักเรียนเนี่ยชอบจะลิบ ม, มากครูก็เลยเรียกว่าค่าโทษไปเลยนะหรือขู่ว่าท่านนักเรียนในห้องเยคนใดเนี่ยทุ่เจอในห้องสอบครูจับได้เนี่ยนักเรียน ทุกคนในชั้นจะถูกตัดคะแนนคนเราเสกคะแนนครูขนาดนี้เนี่ยก็ยังมีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยหรือหาจะมากกว่านั้นก็ได้นะทุจริตนั่นครูจับได้ครูตัดคะแนนหมดเลยทั้งห้องคนักเลยคนนี้เสียใจายมากเลยนะเพราะว่าเพื่อนๆนี่ก็ลุมว่าเราเ ก, กาไปขอโทษเพื่อนทั้งชั้นเลยนะขอโทษที่ทําให้คะแนนเธอเนี่ยถูกครูตัด ที่เด็กคนี้ก็บกาขอโทษยุย้ยยุ้ยคนเทื่อตำมาเล่าที่เป็นนักเรียนที่เป็นคนเรียนเก่งยุ้ยบอกว่าฉันไม่โทษเธอฉันไม่โกรธเธอเลยนะแล้วยู้ยกับจุบายร์เนี่ยทําทไมจึงไม่โกรธทาไมจึงไม่เสียใจกับการที่ครูตัดคะแนนยุ้ยบอกว่าเนี่ยครูเนี่ยตัดได้แต่คะแนน ของฉันเนี่ยแต่ครูเอาความรู้ของฉันไปไม่ได้เธอสอบการสอบนี่มันทำให้เธอมีความรู้มากคือก็ต้องเตรียมตัวสอบเธอได้ความรู้แล้วคะแนนเป็นเรื่องน้องครูจะตัดก็ตัดไปแต่เสิ่งี่ว่าคือเธอได้ความรู้ความรู้ที่มาจากไหนเพราะรูกิดเพนี่ได้มาจากการที่เธอทําความเพียรจะอได้เตรียมสอบเนี่ย ถ้าเด็กเนี่ยเขาเขาคิดว่าเรียนเนี่ยนะเพื่อความรู้นะเขามีจุดมุ่งหมายชัดเนี่ยเขาก็จะมีความสุขการที่ได้เรียนได้อ่านแต่ทํากานบ้านแต่ เ, เตรียมสอบนั่นทะำมาเชื่อว่าเนี่ยเวลาเขาอิประสักด์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ทอ้อเพราะเขาเนี่ยรู้ว่าเนี่ยหนึ่ง ความเพียรจะทำให้ผ่านพ้นความยากลำบากอุปสรรคได้สองมันจะมีความสุขที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่ทาความเพียรและสามมันจะทำให้อดทนต่อสิ่งเ ย, าวยว้ายาวนโดยเพราะเย้ายวนเป็นทางที่ไม่ถูกต้องเคลุดลับจิต <c oughs> ยนี้เขาร่ไยนะตอนพอเธอเธอขึ้นหมห้าหรือหมหกเนี่ยเธอได้รับเลือกให้เป็น ตัวแทนจังหวัดไปแข่งแข่งอะไรสักอย่างเึงนะระดับประเทศวันเนี่ยกำหนดไว้แล้วแต่ว่าเธอไปไม่ได้เพราะว่าคง ม, มีปัญหาเรื่องการสอบในโเรียนก็เลยได้รับอนุญาตพิเศษให้ทำการสอบก่อนวันสอบจริงก็อสอบในโรงเรียนของเธอทนั้นแหละข้อสอบก็มีอยู่แล้วนะครูคุมสอบ ก็คือครูของเธอเธอก็ทําเธอก็ทําข้อสอบนะเธอก็ทําโจทย์นะไม่ข้อสอบเป็นโจทย์แต่แล้วเธอก็ยื่นคําตอบให้ครูที่คุมการอสอบนั้นครูถามเธอว่าข้อไหนทําทำไม่ได้เธอก็บอกมีสองข้อแล้วก็เล่าว่าข้อไหนสองข้อนั้นคืออะไร ครูเห็นลูกคาตอครูบอกคําตอบให้เลยแล้วบอกว่าให้เธอไปแก้ครูให้เธอไปแก้นะหน้าที่ครคือคุมสอบนะแต่ให้บอกข้อสอบให้นักเรียนแล้วไปแก้แต่วเธอไม่ทำเธอไม่ทำเพราะถ้าเธอทําแล้วเธอได้ที่หนึ่งเธอก็ไม่ภูมิใจนะมันจะภูมิใจได้ยังไง่ะ มันไม่ใช่เป็นความสามารถเธอแถมเธอหลุดด้วยใช่ไหมเธอไม่ทำเธอบอกว่าเธอทําในเมื่อเธอได้ทําทําความเพียรในขนาดนี้เธอตั้งใจทำอยู่แล้วเรื่องหน้าพันธุ์กำล่งเธอถ้าเธอได้สองเธอก็ไม่เสียใจถ้าเธอได้ที่สองจริงใชเธอไม่เสียใจอันนี้คือคือคือคนที่เราเชื่อว่พวกเราควาอยากให้บุรารป็นางนี้คนที่เขามีความ มีความภาคภูมิใจในตัวเองคนที่ไม่ไม่คิดที่จะทำการทุตริกหรือว่าค่ายแพ้ต่อสินยอมยุ่ ง, เ, งเพราะการนั้นฉะนั้นจะทำให้เขาไ ม, ไม่สามารถจะมีความสุขที่แท้จริงนะครับเเพอรอาจจะผสประ ส, สาทเช่นถ้าไปทุกริตถูกครูจับได้เสร็จเลยเบียโรงเรียนหนึ่งนั่นโดนชื่อดังมันมีวิชาหนึ่งเนี่ย นะครูนี่จับได้นักเรียนสามสี่คนยกใจเทุจริตนะไอ้นักเรียนครูแปลกจเหมือนที่โเรียนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยได้คะแนนดีๆทั้งนั้นเลยร้อยคะแนนเนี่ยนะคือคือร้อยคะแนนพวกเนี้ยก็ได้เปลนราคาสุภาพไปต้งเรียนเรียนดี ครูเลยสงสัยเธอเธอเธอทุจริตเธอรอบกันทํามอยากได้ร้อยอยากได้ร้อยได้เก้าสิบห้ายังยังยังโลภนะยองสู้สกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องให้ได้ร้อยต้องโกงทุจริตดีนะที่ครูเนี่ยนะเป็นคนที่เข้าใจเด็กก็ไม่ถึงกับทําให้เด็กเนี่ยนะเสียพูดเสียคนแต่เราก็พบว่าหลายคนในที่ ใ่าแพ้ต่อสิ่งยยาโยวนในที่สุดก็เสียผู้เสียคนถูกจกับได้ก็จิตจริตนะหรือว่าโตขึ้นทําในสิ่งที่พลาดตำรวจมี้ำพึ่งพูดเพืพ่อย้ำทีเชื่อว่าความสุขนะที่มันประเสริฐกับความสุขที่เกิดจากการมีการได้การเสด็จเนี่ยมันมีเป็นความสุขที่เกิดจากการทําเริ่มต้นจากการทําในสิ่งที่ยากสําเร็จหรือทําอะไรที่น้ำพันน้ำแรงตัว ทำให้เกิดความท่าภูกใจเกิดความปิดติดสองความสุขที่เกิดจากกันได้เภทหนึ่ความสุขที่เกิดจากการให้ถ้าความสุขที่เกิดจากการทํามีประเภทหนคือให้เพื่อเฟื้อเพื huh. ่อแผ่ผ yeah. ู้เจ้าตรัสว่าสุขผู้ให้ความสุขย่มได้รับความสุขพระตรรมาชื่อแล้วคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่า เรารู้จักให้มากขึ้นนะเราจะเพอความสุขที่มันมันเป็นนี้มันมีการทำวิจัยมันีการันมีกา ร, การทดลองเยอะมากมายที่มันได้ข้อสรุปตรงกันนะยกตัวอย่างเช่นนักศึกษานะกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีสองกลุ่มนะแต่ละกลุ่มเนี่ยได้เงิน ตราจำตัวเลขไม่ได้ในสมมตร100ริร้อดอลลาร์ในอเมริกาย้งไม่ถึงร้อยถึงห้าสิบดอลลาร์กลุมแรกบอกว่าเธอเอาเงินเนี้ยไปซื้ออะไรก็ได้ไปเที่ยวอะไรก็ได้นะให้ฟรีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าเธอเอาไปทําอะไรก็ได้ที่มันไปไปช่วยเหลือคนไปทําสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้อื่นไปซื้อสี เพื่ อ, อว่าลูกให้เด็ยกยากไร้นะหรือไปทำกิจกรรมแรงกับคนชราในบ้า น, นครับหรือเอาไปซื้ออาหารให้ศัตว์เมื่อทำเสร็จแล้วทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะให้ทั้งสองเนี่ยทำกรอบ ก, การสอบถานแล้วสิ่งที่ก็พบคืคอว่ากลุ่มที่สองเนี่ยเามีทัศนคติมีความสุข มากกว่าอันนี้พูดแบบสรุปง่ายๆนะไอแ้ไอแบบไอ้แบบแบบทดสอบเนี่ยมันมันตอบหลายข้อนะแต่สูงคือว่าคนนี้เขามีความรู้สึกดีนะกับตัวเองรู้สึกมีความสุขนะมากกว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยซื้อมีเงินเพื่ อ, ม, อมีเงินเพื่อซื้อสิ่งเสพอีกกลุ่มหนึ่งมีเงินแล้วเอาไปใช้ช่วยผู้อื่นเอาไปทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุขกว่านะรู้สึกดีกับตัวเองมากกว่า มันได้เห็นคนคนที่เขาทุกขก็มีความสุขแล้วก็คอ ม, มีความสุขไปด้วยมีเด็กคนหนึ่งนะเกิเป็นเด็กโรงเรียนอนุบาลหรือว่าหรือว่าประถมอ า, อายุก็มาสักห้าขวบที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการให้ดาวให้ดาวเด็กที่เด็กดีนะ เด็กที่มีน้ำใจนะเด็กนิสัยดีด้วยนักเรียนในห้องเนี่ยนะก็มีหลายคนเนี่ยได้สามดาวได้สี่ดาวแต่เด็กคนนี้เนี่ ย, ยได้แค่ดาวเดียวถือว่าน้อยมาก แม่ก็สงสัยทำไมลูกตัวเ่ยได้ดาวเดียวทล้ที่ลูกตัวเองเป็นเด็กเกเรไปถามครูก็ เ, เลยได้คำตอบเยเด็กคนนี้ไง น, นะแกสงสารเพื่อนมีเพื่อนหลายคนเนี่ยไม่ได้ดาวเลย เขาเอาดาวตัวเองในะที่ได้ซึ่งได้สีดาไปให้คนโน้นให้ตคนนี้นะแม่เลโอเลยเข้าใจนะแทนที่จะสุดแยก ก, ก, กับรูปกเตือกับปราบเรื่องของลูกเรานี้นี่ใส่ดีก็ไม่เขาไม่สนใจนะเขาคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองฉันได้แค่ดาวดียวไม่เป็นไรนะช่วยเพื่อนเพื่อนเาได้ดาวมากขึ้นโอเคสิ่งที่เด็กคนนี้ทำัำอาจจะไม่ถูกนะเอาดาวไปแจก ในเมื่อในเมื่อในเมื่อเพื่อนเพื่อนไม่สมควรจะได้ดาวเราก็ไปให้แต่อีกน้อยเ่ยเขามีความเขามีน้ำใจนะเขามีน้ำใจทั้งนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยแล้วผู้ใหญ่จะมีความสุขด้วยความสุขที่เกิดจากการได้ทำความสุขที่เกิดการได้ช่วยเหลือื่นและความสุขนี่นะมันทําให้เราเป็นคนที่ทุกข์ยาก ทุกได้ย่างมีความสุขด้งานะอาตอมาถึ่เด็กคนหนึ่งนะชื่อน้องโยแกเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบวันหนึ่งเนี่ยป้าชวนน้องโยเนี่ยซ้อนมอตอไซค์ก็ไปใน เ, นเาามืองนครสระบุรก็ดูุติเหตุนะรถชน มอเตอร์ไซค์พังยับเยินป้านี่แขนหาไปข้างส่วนน้องโยนที่ขาเล็กเล็กไปข้างก็รีบถูกนําส่งโรงพยาบาลทันทีเลยตลอดทางเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยป้านี่ร้องโอดโอยน้องโยนที่ไม่ร้องเลยจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดเสร็จหมอก็ถามน้องโยนทําไมน้องโยนไม่ร้องน้องโยนตอบว่ากลัวป้าเสียใจครับน้องโยนเนี่ยคิดถึงป้า ป้าได้ยินป้ า, ปป า, ปปาร้องโอดโอยน้องโยก็ไม่อยากจะน้องโยก็ร้ว่าป้าทุกข์มากไม่อยากจะไปซ้ําเติมความทุกข์ของป้าน้องโยรู้ว่าเธอตึงร้องเนี่ยป้าจะยิ่งหัวใจแตกสลายมากขึ้นก็ทําให้น้องโยทำให้หลานดังเนี่ยต้องมามีปัญหาแบบนี้น้องโยที่ถึงความทุกข์ของป้าก็เลยสามารถจะสะกดนะความเจ็บปวดของตัวเอง ไ, ได้โอ้นี่มัน เรียกว่าเห็นเลยนะว่าคนเราในเวลาคิดถึงผู้อื่นเนี่ยเราจะรู้สึกวความทุกข์ของเราแหลกลงและมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่ซึ่งถ้ามันถ้าเราถ้าเราถ้าเร า, ถ, า, เราถ้าเรามีท่าสร้ติแบบนี้เนี่ยจนทําให้เราสามารถที่เผชิญความทุ ก, กข์ได้มากขึ้นมีความอดทนได้มากขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นนอกตัวเรา ไม่ทำให้จิตใจเราเนี่ยยาแย่ได้น้อยลงพยายามชวนนะพยายามได้นำให้ลูกหลานเราเนี่ยเขาได้ดพบกวับความสุขชนิดนี้บ้างหรือว่าได้ดพบใบก่อนรวมวความสุขที่เกิดจากการทาดีช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่แค่เพือเ่อเพื่อเพื่กลนนแต่ว่าอาจจาะเป็นคนที่ช่วยวสะดนรวมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาแม่น้ำล า, าคลองหรือว่าปัดกวาดทางเพื่อให้มันสะอาดเป็นการช่วยเส่วนรวมเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากการทําความสุขที่เกิดจากการทําดีความสุขที่เกิดจากการให้ความสุขที่เกิดจากการทําความเพีย แล้วต่อไปเนี่ยนะก็ให้ได้เข้า <Hoch> ถ <osi> ึงความสุขที่เกิดจากความสงบให้ความสุมเนี่ยเกิดจากการทำเหมือนกันนะเช่นทำสมาธิเป็นต้นให้เขาได้สัมผัยกับความความสงบในจิตใจบ้างแต่ใหมๆเนี่ยนะเขาจะไม่มีสมาธิพอที่จะที่จะนั่งได้นานแต่ว่า แม้ทาแค่เวละห้านาทีสิบนาทีเนี่ยให้เขารู้ว่าความสงบเนี่ยมันพบได้ที่ใจมันไม่เป็นต้องใช้สิ่งเลื่อง้อนภายนอกก็ได้และวิธีที่ทำให้เราได้พว ก, กความสงบเนี่ยก็คือการที่เขาได้มีสติรู้ทันความคิดนะและอารมณ์เรามันเกิดขึ้น อันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าว่าเด็กเนี่ยเขาเขารู้เารู้เารู้ทันความากิดและอารมณ์เนี่ยจทำให้เขาเนี่ยได้จักตัวเองแล้วก็รักตัวเองได้อย่างแท้จริงคนสมัยนีุ้่มทั้งเด็กๆสมัยนี้เนี่ยเขารับตัวเองได้ยาก พอรักตัวเองดียากจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างเดียวแม้ปากจะบอกว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่เอาจริงเนี่ยไม่เคยรักตัวเองเนทะ่าไหแม่รักตัวเองอย่างไรข้อแรกเลยนะก็คือหนึ่งทนกับตัวเองไม่ไนดะ้ถ้าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรต่อให้นะ ไม่มีอะไรให้ทําให้มีคนมาพูดคุยเนี่ยเนี่แม้ว่าเดยกผู้ใหญ่เนี่ยจะกระสับกระสานมากคนเราทรักตัวเองนะมันก็ต้องมีความสุขเมื่อได้อยู่กับตัวเองเหมือนกับเรารักพ่อเรารักแม่เราก็มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่เรารักแฟนเราก็มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้แฟนเรารักรถยนต์เราก็มีความสุขการที่ได้อยู่ใกล้รถยนต์ได้เช็ดได้ทูรถยนต์แต่ถ้าเรา รักตัวเองแต่เราทนอยู่กับดัวเไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่เราไม่ได้รับตัวเองจริงแล้วคนเรีนี้อยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวเมื่อไหร่โทรศัพท์นี่คือเหตุผลทำไมต้องมีโทรศัพท์มือถือจะไปไหนต้องมีสัญญาณโทรศัพท์พราะเจ้าหีโทรศัพท์มือถือเขาไม่รู้ว่าจะหนีตัวเองได้ยังคนทุกวันนี้พยายมีตัวเองหนีไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือนี้ไปอยู่กับคอมอพิวเตอร์ไปอยู่กับเพื่อน ไปที่ห้าถ้าโตหน่อยก็หนีเรื่องปอยู่อน์งานทำงานก็โมบางทีก็ไม่ดีเสมอไปนะเพราะว่านั่นเป็นสัญญาณการมันเกิดจากการพยายามหนีตัวเองและวก็มอยู่กับตัวเองนะไม่มีใครไม่มีโทรศรัพท์ไม่มีอะไรให้ทำจา ก, กรสรับระสายทุรนทุรายและเดี๋ยวนี้จึงเกิดปัญหาหละเหา๋าคนสมาเนีย มีปันหาความเหงาเมื่อเหงาแล้วทำาไงก็ต้องพยายามที่จะไปไปอยู่กับผู้คนไปคุ้ครีกกับผู้คนซึ่งข้อดีก็มีนะแต่ข้อเสียคือว่าทำให้ไปแคร์ไปแคร์สายตาและการยอน้ัของผู้คนโดยเพพาะกลุ่มเพื่อน บางทีเพื่อนชักชวนให้ไปทําชั่วก็ต้องไปเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยก็จะไม่ได้การยอมรับถ้าอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้เขารู้สึกว่าเวยเพ่งความเพื่อนจะยอมรับก็ต้องยอมไปทําชั่วหรือว่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นยาเที่ยวผู้หญิงเด็กนะหลายคนเนี่ยต้องกินเหล้านะหรือว่า ต่างิ่งขึ้นไปสมอเพราะว่าไม่นั่งขึ้นไ ม, ไม่ยอมรับผู้หญิงหลายคนเนี่ยไปพบผู้ชายทั้งที่ผู้ชายคนนั้นก็แย่เหลือเกินทั้งโขงทั้งศัพ์เจ้าชู้ไม่เคารพเอาเปรียบแต่ผู้หญิงก็ยอมเพราะกลัวว่าถ้าถือถ้าขัดขืนเดี๋ยวเขาจะทิ้ง คนอยู่กับตัวเไม่ได้ถ้ามีร้านก็ต้องมาแกก็พบแกก็มีแฟนผู้ชายแล้วก็ไม่ดีเสียเสลยแต่แกก็ทิ้งเขาไม่ได้เพราะแกกลัวเหงาแกอยู่คนเดียวไม่ได้นี่แซงว่าอะไรแซงว่าจริงๆเราก็ไม่เห็นรักตัวเองถ้าะรักตัวเองเราต้อยู่กับตัวเองได้ใช่ไหม เนี่ยนี่เป็นีคนที่ถึงแล้วท่เราบอกว่าทำไมเนี่ยคนเดี่ยวนี้เนี่ยมันจะรักตัวเองจริงแล้วก็เป็นมากกับเด็กเยาวชนสองเรามากักซรําเติมตัวเองอเป็นประจำเวลาเกิดทุกข์เกิดประสาทขึ้นมาเราชอบซรําเติมตัวเองเวลาเจอความผิดหวังเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราไม่ได้สร้าเติมตัวเองด้วยการออกหัวขกพื้นหรือว่า พี่ก็โคนตัวเองแต่ว่าเราสั่นเติอนตัวในทางจิตใจเ่เช่นเวลาเงินหายเนี่ยเวลาเงินหายแทนที่จะเสียแต่เงินนะก็ปล่อยให้ใจมันเสียด้วยเอาแต่คิดถึงสิ่งที่สูญเสียไปเสียใจไม่พอ เสียสุขภาพเพราะไม่เป็นอะไหลักไม่เป็นอันหลักอันนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียสุขภาพเสียใจมากๆก็ทํางานไม่ได้ก็เสียงานแล้วพออารมณ์ไม่ดีมีใครมาหยอกมาร้อมีเพื่อนมาแซวโกรธด่าเพื่อนนะก็เสียสมรรถภาพเสียเพื่อนคนอื่นเนี่ยทําได้แต่ ขมเงินเราไปขมโมยโทรศัพท์เราไปแต่เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเนี่ยเราทําเองนั่นแหละอันนี้เราซ้ําเติมตัวเองที่จริงผู้ใหญ่ก็เป็นนะเราจะซ้ําเติมแท่ทุกวันอย่างเช่นเวลารถติดเนี่ยไม่ว่าติดที่ข้างนอกรถติดหน้าโรงเรียนเนี่ยรถติดมันก็เสียเวลาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่มันจะปล่อยให้เสียเวลาจนไม่พอเสียอารมณ์อย่เงี้ย การเสียอารมณ์เนี่ยการป่อให้ใจเสียอารมณ์เนี่ยคือการซ้ำเติมตัวอย่างอแล้วคนฉลาดเนี่ยจะเสียแค่เวลานะแต่ว่าใจก็เป็นปกติรถติ่ก็ปิดไปถอยข้อถอยเสียแค่เวลาแต่อารมณ์ทาให้เสียแต่เราก็ซ้ำเติมตัวเองบ่อยๆนะปล่อยให้เสียอารมณ์แล้วบางทีก็พาดหัวผิดใสคนในรถ ด, ด้วยเราซ้าเติมตัวเยอะนะ เวลาป่วยกายเนี่ยเวลาเวลาไม่สบายเนี่ยแทนที่จะป่วยแต่กายเราก็ไปให้ใจป่วยด้วยที่ซ้าเติมตัวเองป่วยใจก็เช่นรัววิตกกังวลเครียดหงุินะอาแต่ปวดว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นถึงต้องเป็นชั้นอันนี้ก็ซ้าเติมตัวเองนะ ที่ซ้ำเติเตอวอะไรพออไร่อแหละเพราะว่าไม่รู้ทันไม่รู้ทันความคิดจิตใจและอารมณ์เวลาเรามีความผิดนิดหนึ่ ง, ง, งเกิดขึ้นมองไม่เห็นเวลาใครว่าเราเนี่ยนะให้เขาว่าเราก็แย่อหรือว่าให้เราก็ซําเติมตัวก็คือไปโกรธโมโหปล่อยให้ความโกรธคลองใจงนะคนที่ว่าเราเนี่ย เขาไม่สามารถจะยัดเยีดยดความโกรธหรือความทุกข์ใจให้เราได้มีแต่เราทำเองแล้วพอเราโกรธพอเราทุกข์ใจแล้วเป็นยังกินไม่ได้มนไม่หลับและการที่เด็กสมัยนี้เนี่ยนะเขาไม่เขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เรื่องของจิตใจไมุู่กสติให้รู้ทันเขาก็เลยทําทร้ายตัวเอง ปล่อยให้ความทุมากระตุกก้มจิตใจเวลาผลการเรียนไม่ดีแทนที่จะเกิดความตั้งใจเกิดความพยายามที่จะทำมันดีขึ้นก็อาจจะเศร้าซึมเจ้าจุกแต่ถ้าเกิดว่าเรานะพยายามชักชวนให้เขาเได้มารู้จักตัวเองด้วยการมารู้ทันความคิดเป็นอารมณ์นะมันช่วยเทำให้เขาเนะสามารถที่จะหยุดนะจาก ความทุกข์แล้วก็ไม่ตกเป็นท่ากับสิ่งเย้ายูในง่ายมีเพื่อนตานก็าเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งลูกสาวอายุสิบสองเรื่องนี้เกิดขึ้นมา 10, 10, นั้งสิบสิบห้าสิบปียลนะลูกสาวเนี่ยสสองมากลับมาถึงบ้านก็บอกแม่ว่าอยากได้ของเล่นชิ้นหนึ้งเห็นตอนอเดินทางเดินกลับมาที่กลับมาบ้าน บานนี้นเขาให้ลูกเน่ยเดินกลับบ้านจากโรงเรียนแม่ปฐามะอะไรหรือที่รูกจยาได้เป็นของเล่นชิดหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นไมโครโฟนทำหน้าตามแล้วก็โฟนเรากดแล้วมันมันก็ล้องมันมีเสียงเพลงร้องเมกัว่าเจ้าตัวนี้กำลังร้องเพสมัยนั้นมันยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่ได้แพร่หลายไปหนูไปไปสู่เด็กๆตัวใหญ่โทรศัพท์มือถือก็เป็ผู้ใหญ่ใช้ เพราะงัของของเล่นที่เด็กจะได้ก็มีแค่นี้แหละไมโครโฟนเนี่ยแม่ถามว่าเท่าไหร่สี่ร้อยสำหรับบ้านนี้ก็ถือว่าสี่ร้อย่างแพงแม่เนี่ยจะมีคำว่าสองอย่างปกตินะคือหนึ่งให้สองไม่ให้แท่นี้แหละแต่แม่คนนี้แกแกมีวิธีเลี้งลูปแกก็อบอกว่าถ้าลูกอยากจะได้นะก็ได้นะแต่ต้องทำสองอย่างคือหนึ่งทุกวันเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยลูก ให้ไปที่ร้านนะั้นไปดูของชิ้นนั้นแล้วก็ดูความอยากในใจด้วยสองนะแม่จะหักเงินค่าขนมลูกทุกวันจนกระทั่งครบสี่ร้อยลูกก็เอาอยากได้ทุกวันลูกก็ทํ า, าตามที่แม่บอก <c oughs> ก่อนจะกลับเวลากลับบ้านก็ไปที่ร้านนั้นก็ดูของเด็กจยากดูอยู่แล้วถ้าเด็กก็เชื่อฟังแม่แม่บอกว่าให้มาดูความอยากของตัวเเด็กก็ดู ทำวิุทุกวันมนที่สามมาที่สี่ 4, มาเด็กก็มาบอกหน้าไม่เอาละของถอนทำไมเอาทุกอยางแก้มใช่เหรอไม่เอาละเบื่อไม่ใช่เบื <c oughs> ่อก็ เ, <c oughs> เห็นของนะเบื่อเพราะเห็นของเนะี่ยมันอาจจะเพิ่มความอยากแต่เด็กที่มาดูใจเห็นความอยากของคนเห็นบ่อยๆเห็บ่อยๆเนะี่ยความอยากมันฟอกนะธรรมชาติของอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอยากความโกรธความเศร้าเนี่ยถ้าเราดูมาไม่บ่อยๆนะมันจะมันจะฟอลงนะ ความกลัวก็เหมือนกันนะถ้าเราไปรู้ทันมันเนี่ยไปเห็นมั น, นมันก็จะฟอ้องธรรมชาติของอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยแม้มันจะมีอนุภาพแค่ไหนนะแม้มันจะสามารถบังคับบัญชาให้เราด่าพูดร้ายทําร้ายแม้กระ่งคนรักทาล า, ายเข้าของนะแต่มันมีจุดอ่อนอย่างนึงก็นะคือตัวถูกถูกเหยื่นถูกถูกเห็นด้วยสติ ถ้าเราเฝ้าดูมันบ่อยๆนี่มันก็ฝอลงนะหรือถ้าเรารู้ทันมันเพื่อมาเนี่เป็นนักศึกษาตอนปีสี่เนี่ยอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ธรรมศาสตร์ปีสุดท้ายเนี่ยต้องไปฝึกงานแกก็อย่าไปฝึกงานกับพวกสมสชาบุตรจนชาวพิะอีสามองค์กรชาวบ้านแต่แกจะให้ฝึกงานข้าราชการกับหน่วยงานราชการ ก็ตกลงมาไม่ได้คุยกันอยู่นานสุดท้ายก็ให้ไปไปฝึกงานกับองค์กรที่ทํางานกับชาวเขาช่วยเหลือชาวเขาคืนแรกก็ต้องไปทํางานเอ็นจีโอพอไปถึงเชียงใหม่เขาก็่าจารย์ให้ไปทํางานกรมประชาสงเคราะห์นักสาวสุดโกรธนักสวยอาจารย์ไม่ให้ทําตามที่ตกลงนะคืนนั้นนั้นคืนนี้ว่าที่แต่เรื่องเงินมาไม่พอพอรุ่งขึ้าจารที่อุตสัยคนหนึงมามาเยี่ยม อาจารย์นักศึกษาก็เลยต่อว่าอาจารย์พระ้นี้อาจารย์ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าสากศระบายสายสายสายสาย่ใส่อาจารย์ก็ดีนะตั้งใจฟังแล้วก็แยายชี้แจงนักศึกษาก็ไม่สนใจหรือไ ม, ไม่ไม่เกณฑ์อนะก็ว่าว่าว่าจนตึ่นหนึ่งอา จ, จารย์พูดคำาสุดที่สามไ ม, า ม, าม่ขึ้นักศึกษานักศึกษาคิวเธอที่ปูบเป็นโบเลยนะพอได้ยแค่ น, นี้นักศึกษารู้แล้วโกรธรู้่าตัวเองกำลังโกรธพรู้ตัวเองโกรธนะความโกรธมันหายเลย ได้สติขึ้นมาทันทีเลยไม่แปลกใจเลยวเนื่องากกายใจเมื่อกี้เราโกรธี่เราไม่รู้ว่าเราโกรธแต่พอเรารู้ว่าโกรธนี่มันหายไปเลยอันนี้ก็คืออารมเนมันพอเรารู้ทำมันเมื่อไหร่เนี่ยมันมันสมมมันมุ่แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ถ้าเราสอนให้เราให้ให้ลูกเราได้ได้ได้เจอได้สัมผัสสิ่งนี้บ้างได้หันมามองใจบ่อบ่อย เขาจะพบว่าเขาจะพบเลยนะว่าจริงๆแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยความทุกข์มาถึงที่ไหนความทุ่ที่ใจเราใครทําอะไรกับเรามันไม่ทําให้เราทุกข์เราแต่ก็ระวังใจไม่ถูกบองใจไม่เปิดเราดูทุกข์เพราะเราก่อให้ความโกลัวเข้ามาครอบงำโดยที่ไม่รู้ทันมันก็เลยทุกข์คนเนี่ยนะไปคิดว่าความทุกข์ใจเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่ที่จริงแล้วเมันเกิดจาเกิดจาก เกิจากเราวางใจไม่ถูกมากกว่าการวางใจให้ถูกโดเฉพาะการรู้ทันความที่เราอารมณ์มั น, นคัญดังนั้นถ้าเกิดเราเด็เข้ามันดูใจเนี่ยเขาจะพบว่าอ๋อความทุกข์ใจมันเกิดจากคนอื่นนันไม่แต่ความทุกข์ใจมันไม่ได้เกิดมันมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นมันเกิดจากการที่เราวังใจไม่ถูกเขาพูดอะไรไปถ้าเรา ไม่สนใจสิที่เขาพูดเราก็ไม่ทุกข์มันก็เหมือนกับแก้วเส่แก้วอยู่ในมือเราหรือว่ามีดใบนีดโวยในมือเราเนี่ยถ้ามันแค่อยู่ในมือเรามันไม่ทาให้เราเป็นอันตรายแต่จะเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อเรากำมกลำล้มหยิกลำล้มหยิบนะมีดโก น, นก็บาดนิ้วเส่แก้วก็บาดมือถามว่าเลื่อนไหลพ่ออะไรเป็นแผพ่ออะไร นะถ้าเราต่อมีโกนเนี่ยมันคงไม่ใชนะ่เพราะว่าถ้าเราไม่ดีไมนกรรมเนี่ยมันก็ไม่เกิดแพ้ใช่ที่ <c oughs> จริงเนี่ยถ้าเราเพียงแตบบ่พลิกมือเนี่ยนะไอ้มีโกนก็ตกจากมือเรา <c oughs> คําพูดที่เจตโกรธคำต่อว่าด่าทอง <c oughs> ประสบการณ์ที่เวลวร้ายความทรงาำที่เจตโกวดเนี่ยมันก็เหมือนกับมีโกนที่ในมือเรา <c oughs> ถ้ามันอยู่เฉยๆทาอะไรไม่ได้จนกว่าจะมีดีมีกรรมถ้าเราต้อุ้นคิดถึงมัน ไม่กล่อยไม่วางล้วก็ทุกถ้าเด๋ยนนี้เนี่ยนะวามีความกุอะอรขึ้นมาเนี่ยเรามากักจะโทษสิ่งวดล้อมภายนอก็พเราไม่หันกลับมาดูใจเราเสมอเมื่อสักเดือนสักอนที่ที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวปีงบงยี่สิบเจ็ดนะแกถูกรอตเตอรี่ในในในอังกฤษได้มาสี่สามล้านบาทก็คงประมาณล้านกว่์ พอแกมีความสุขมากเลยนะแต่สี่ปีหลังจากนั้นเนี่ยพอเธออยี่สิเสร็จเนี่ยนะเธอพอชี้เธอย่ำใหญ่พอเหมือนก่อนเนี่ยเธอใช้เงินนะใช้เงินมากมายจากการซื้ อ, น, อนั่นซื้อนี่ซื้อทั้งที่ซื้อซื้อทั้งรถซื้อทั้งบ้านซื้อหมาด้วยแต่ว่าเธอมีความสน้อมให้หลับ แล้วที่มันเป็นข่าวเพราะว่าเธอฟ้องไอ้บริษัทลอตเตอรี่เนี่ยหาว่าทําให้ชีวิตเธอแย่ๆชื่อบริษัทลับโต๊งงไปหมดเลยนะที่ฉันจำแย่เพราะเพราะมึงอไงนะขถาดนี้แล้วนะคือเขาอสาหให้เงินตัวเองนะแต่ตัวเองใช้เงินไม่เป็นอ่ะวางใจไม่ถูกเพราะที่ตัวเองแย่ๆไดโทษบริษัทลอตเตอรี่ การที่บอกเออเราเรารับเงินเข้าไปทำไมนะที่จริงรับเงินถ้าใช้เต็มก็ดีใช่ไหมแต่นี่ใช้เงินเพื่อการเสรพเพื่อการบริโภคมันก็เลยมีความทุกข์คนที่เขามีแล้วเขาให้เนี่ยเขาไม่มีความทุกข์นะออมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นเศรษฐีเขาชาวอเมริกันจะทำธุรกิจเกี่ยว่องสินค้าปรอดภาษีตามสนามบินตา่างๆ รวยมากนะแต่ว่าเงินที่แกได้ 90% นะซึ่งประมาณ200ล้านบาทนะแกรบริจาคแกรบริจา์คือ 90% หรือ 95% ของรายได้แกมีแกรบริจาคโรงพยาบาลุ่งเรียนนะ NGO ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมตา่างๆทุกวันแกก็แก ก, แ ก, ก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงาน ใ, นนใช่คนส่งใช่คนส่งเหมวนชนแกมีรถส่วนตัวโทษนาฬิกาแกแคสิโอห0 0้บาทแล้วแกก็คือมีความสุขเป็นคนมีความสุขเพาแกมียก ล, ลกแกให้ลูกแกเนี่ยแกลูกแกก็ทำงานหาเงินเองก็เหมือนกับนะกวอลเลนบัคเฟตต์นู่ปหาเงินเองพ่อก็ให้ให้ตามสมควรไม่มากแ ล, แล้วก็ไม่ให้ไม่ได้ให้เลยบอก เพื่อให้ลูกเนี่ยได้รู้จักพึ่งตัวเองแล้วก็ได้รู้จักเป็นค่าของเงินรวมทั้งเห็นความสำคัญ ข, ของความเพียรพยายามลูกขอก็ไม่ได้ให้ก่อนลูกอยากได้ต้องไปทํางานแลกเงินมาพ่อจึงจะให้เงินอั น, นเป็นวิธีกาเรเลี้ยลูกของของเศรษฐีนะซึ่งทําให้ รูกเขาสามารถจะพึ้นตนเองไนดะ้แล้วก็เห็นค่าของเงินเห็นความสำคัญของความเพียรพยายามสิ่งที่สำคัญนะครัการที่เห็นความเห็นคุณค่าความเพียรความพยายามยรวมทั้งความรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักคอยมันมีการทดลองทดสอบครั้งหนึ่งนะเมื่อ60ปีที่แล้วของ หมอแลสแตนฟอร์ดการทดสอบมมีชื่ อ, ม, อ ม, มากชื่อว่ามัชมันโลเทสต่อหรือว่าทีเขเียนว่าสแตนฟอร์ดมัชมัโลเทสเพราะว่าการทดสอบเนี่ยใช้มัชม l o โลก็คือว่าขนมซึ่งเมื่อห้สกปีก่อนประมาณพนาอหกสิบเนี่ยเด็ or, กชอบเด็กชอบมัชมันโลนะสำรักช็อกแลนจะไม่เกิดเกิดตลาดหมทุกวัน เขาจเขาทดลองง่ายคือเอาเด็กเี่สี่สี่ขวบเนี่ยสี่ห้าขวบเนี่ยเข้ามาในห้องวันสิบห้าคนแล้ในห้องก็จะมีโต๊ะแล้วก็มีถาดมีมัชมิลโลผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยหนูถ้าหนูอยากได้มัชมลโลหยิบไปเลยไนดะ้คนละหนึ่งชิ้นแต่ถ้าหนูอยากได้สองชิ้นหนูต้องรอสิบห้านาทีนะแต่ทุกคนรู้ว่าสองมีกันหนึ่งใช่ไหมแต่พอผู้ใหญ่ไปเนี่ยเด็กหลายคนจะหยิบเลย รู้ว่าสองดีกับหนึ่งนะแต่ว่าทนไม่ได้คอยไม่ได้หยินเลยคว้าใส่ไปบางคนเนี่ยส่วนใหญ่นะจะพยายามคอยจะพยายามที่จะรอให้เวลาผ่านไปสิบห้าทีแต่สองในสามเนี่ยก็จะทนไม่ไหวจะมีแค่หนึ่งในสามที่ทนหวนบางคนก็มองมองพดามบางคนก็มองพื้ บางคนก็บางคนก็ือพยายามไม่มองนะหรือบางคนก็พยายามมีทำพยายามททุกอย่างเพื่อที่จะไม่พ่พยแพ้ต่อความยางคือเรียนแล้วนี่จะได้ประมาณ1ึในสามในที่จะอดท น, ทนรอคอยได้แล้วที่มันน่าสนัจเพราะว่าหลังจากนั้นผ่านไปส0มสิบสสิปีก็มีการไปติดตามว่า้เด็กที่ผ่านแมชมิลเลชเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล มี่ด็ก่สองกลุ่มมีซึ่งตอหลังเนี่ยมีผู้ใหญ่ยู่สองกลุ่มนะเด็กเราที่พอโตเป็นผู้ใหญ่จะมีสองกลุ่มใ ห, ใหญ่นะกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือว่าเรียน High s c h o ู l ก็ไม่จบนะการเรียนก็ไม่ค่อยดีต่อปัตตัวก็อ้วนชอบกินอาหารจังฟูพอบเข้ามาอิทไลนะก็จะติดติดบุหรี่ติดเหล้าหรืออาจะติดยานะเรียนไม่จบก็เยอะจบเอาก็เยอะ ไปทํา ง, งานก็ทํา ง, งานก็ไม่ก็ประสบความสำเร็จอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยตอนที่เรียนปฐมวิทย์ก็เรียนดีทุกคนก็เรียนใช้ได้นะก็เรียนตบกันทุกคนสุขภาพก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่งโรคอ้วนพอเป็นพอเป็นพอเข้าหมายทยาลัยก็มีปัญหาเรื่องยาน้อยเรื่องราวก็หน่อยเรียนตกกันในส่วนใหญ่แล้วก็ทํา ง, งานก็ทำ ง, งานที่มี ความมันคงพอสมควรเขาพยายามหาว่าอะไรทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างอะไรเป็นปัจจัยทาให้เกิดความแตก ต, ต่างของผู้ใหญ่สองกลุ่มนี้เขาก็พยายามดูทั้งในแง่ของเพศถิวสีสถานะของสถานทางเศรษฐกิจครอบครัวหลายอย่างนะเพราะว่ามันพวนอธิบายไม่ได้แต่มีหนึ่งอันยังที่อธิบายได้คือไอตอนที่ตอนวิศวโฝนเนี่ย ไอเด็กที่ทนได้นะโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่กลุ่มที่สองเด็กที่ทนไม่ค่อยได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็โตขึ้ น, นยก็จะเป็นผู้ใหญ่กลุ่มแรกเขอสรุปว่าคว า, ความจับยังช่างใจความจับอดทนรอคอเยเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เด็กเนี่ยสามารถจะเติบโตผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตสุข ภ, ภาพก็ดีเมื่อสักปีสองปีเนี่ย นักนกจิตรกรนี้ก็เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อ c h ชฌิมโรเตชเก็พูดถึงการทดลองเขาเมื่อ50ปีทีแ่แล้วตามบนทมาเสร็จแล้วก็พูดถึงว่างานการค้นคว้าต่างๆมันรวนแล่วแต่ยืนยันตรงกันว่าการากรู้จักคบควบคมตนเองก็รู้จักพอเป็นตัวแปรสำคัญที่ทาให้เกิดความสุขความสันในชีวิตไนดะ้ แต่มาคิดว่ายุคนี้เนี่ยนะมันยิ่งจําเป็นมากกว่ายุคก่อนเพราะอะไรเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเด็กที่จะอดทนร้องคอยได้นี้น้อยเพราะว่าสิ่งรอบเราราวโยนนมันมีแต่ทําให้เด็กเนี่ยคอยไม่ได้คอยไม่เป็นใจใจเร็วเกนได้ส่วนหนึ่งก็เป็นการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยหรือว่าปูา่ย่าตายายด้วยเพราะว่าเด็กนี้เราพคร่งพร้มดใ ว, วัตถุ เราสามารถที่จะให้ทุกอย่างที่เด็กต้องการได้สมัยที่มเด็กๆเนี่ยพ่อแม่อยากจะให้ก็ให้ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีไม่มีเงินทองมากขนาดนันะแต่พ่อแม่ก็ไม่เจ้าก็ปกติก็ไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่าการให้ทุกครั้งเนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยนะนเรียกเยสียดิสไซภาษาสมัยเรียกเสียดิสไซภาษาแปลว่าสปอยแต่สมัยนี้เนี่ยพ่อแม่เนยมีทุกอย่างสามารถจะให้มีแทบทุกอย่างที่สามารถจะให้ ให้เด็กได้ให้ได้เลยอีกอย่างห น, นความที่พ่อแม่สมัยนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกก็เลยชดเชยด้วยการให้ของแทนให้เงินแทนเป็นการชดเชยเวลาที่ไม่มีให้ซึ่งก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักการขอไม่รู้จักความผิดหวังและตรงนี้เนี่ยนะ เด็กมีน้ำตาในสิ่งของเราพยนอนทุกอย่างมันเด็วไปหมดเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเวลาจะบูธโทรเวลาเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือเปิดโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้ามันใช้เวลาเกินสามสิบนาทีเด็กก็ไม่ไหวเป็ีนเครื่องใหมยย่ดีกว่าคนไม่ได้คอยไมเป็นแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าคอยไมเป็นเนี่ยคุณจะทําแไรใหมันสําเร็จและประสบความ สุขในชีวิตหรือความเจริญในชีวิตอนะไรเพราะทุกอย่างมันต้องอาศัยความเพียรและความเพียรเนี่ยมันรู้แล้วแต่ต้องใช้เวลากว่ามันจะออกผล้กว่ามันจะออกต่อ อ, ออกผลถ้าเราคอยไม่เป็นนะเราก็จะไม่มีความเพียรพอแล้เราก็จะหาวิธีอยู่ถ้าเป็นการเรียนก็ทุจริตหรือไม่ก็ลอกข้อสอบหรือไม่ก็ลอกจากตัดแฝงจาก google ถ้าโตขึ้นก็คอร์รัปชันนะหรือว่าใช้เส้นใช้สายมันจะได้เร็วไม่ต้องใช้ความสามารถมันแล้วทักษะตัวนี้ที่มันจะไม่เปลี่ยนแต่เป็นศุกสักในการพาลูกหลานเราไปสู่ความสุขในชีวิตไม่ทำความสุขก็ยาแต่ยังไม่ได้หรือเพิ่ๆเติไปสู่ความสุขเนี่เพราะเข้าสู่การทุจริกไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ควรให้ความสาคัญมาก แต่ต่มาก็ไม่รู้ว่าเดียวนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยให้ความสมคันแค่ไหนกับผู้ผู้ใหญ่หผู้ปกครองตหนักเกียงใดเนี่ยแต่ว่ามันสิ่งที่จะช่วยทำให้ลูกหลังเราเนี่ยสามารถจะฝ่าคาวามทุกล้อเข้าถึงคาวคามสุขความเจริญได้ก็ใช่แล้วพอสมควรแล้วนะก็ต่อมากจะขอหูดไว้เท่านี้ก่อนคือว่าบางท่าจะมีคำถาม ห, หรือความคิดเหนที่จะแรกเปลี่ยนกับก็เชิญได้ท่านใดมีคบถามไหมคะเอ่อการเรียอาานอาจารย์ครับ คือมีลูกช่วงวัยอายุเจ็ขวบคนหนึ่งนะครับแล้วก็คนเล็ก็ประมาณห้าขวบครับ อ, อ, อยากจะกระยืนถามอาจารย์ว่าจะสอนเขายัางไงให้รู้ทันอารมณ์ตัวเองครับคือบางครั้งที่แบบเขาโกรธล้วก็ชี้ให้เขาดูได้ว่าเออกำลังโกรธอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้จะจัดการยังไงต่อพอถามเพราะว่า ตอนนี้สุดโกรธฉันไหมือน mm hmm. เขาเขาไว้เขาก็ดูมือนไม่สนใจแล้วเขาก็ยังดูกับความโกรธนั้ น, น, น, นะครับแล้วก็ผมเองกับภรรยาก็ไม่รูว่าจะดีอย่อยางไงต่อหรือว่าจะดําเนินการยังไงต่อเพื่อให้มันเป็นการแก้ไขที่ดีครัจริงๆถ้าให้เขาพยายามพยายามให้เขาตอบให้เขากลับมาดูว่าความูสึกอย่างไร ตอนนนเดยจะบอกถามเพราะว่าอย่างที่แม่คนนี้เขาก็ถา ม, ถามลูกนะว่ า, ารูโ้โปวดแค่ไหนรูก้กรธแค่นี้แค่นี้หรือแค่นี้คือให้เขาเนี่ยได้พยายามชวนให้เขา Re สคอร์ดหรือตอบอยูบโดยการที่ถามซ้ำหรือว่าถามเพิ่มนะเพราะว่ า, าการที่เราบอกเขาว่าอย่าโกรธอย่าโกรธมันก็ไม่ดีนะการที่เราไปบอกว่าความปวดไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ช่วยเขา แต่ทำให้เขาได้เห็นความโกรธของตัวเองหรือถามกาว่าถามตอว่าโกรธเรื่องอะไรใช่ไหมโกรธแค่ไหนเนี่ยคือมันจะช่วยขาให้เขาได้ได้ได้กลับมามองใจของตัวนะตอามาคิดว่าที่เขาอาจจะยังไม่ตอบเพราะว่าเขายังไม่เคยไม่ไม่คุ้นเคยกับคำถาม น, นี้หรือเ้าไม่เคยเถูกชี้ชวนให้หันมามารู้ทันความโกรธของตัว แต่ว่าถ้ากว่าเราทําอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามฟังเขาด้วยเขาอธิบายแล้วเขาฟังว่าเขาโกรธเพราะอะไรนะเพราะว่าในคนของเขาเนี่ยมันมันไม่ใช่ไายสาละมันเราจะดูเหมือนกับไร้สาละแต่ว่าเขาเข้าเป็นเรื่องของครับแล้วก็ฟังเขาจความใส่ใจและความนี่ของเราจะช่วยคนได้ความนี่ของเราเอัลตมาคิดว่า ถ้าอยากจะให้เขาได้เห็นความรู้สึกตัวเองเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากอารมความรู้สึกที่มันยังไม่รุนแรงนะใช่ไ เ, เ, เวลาเขาดีใจเวลาเขาดีใจนี่เออตอนนี้รู้รสึกยังไงใช่ไหมนะคือพยายามถามพ่อไปบ่อยที่จริงมันควรจะเริ่มถ้าทําได้ควจะเริ่มตั้งแต่เล็กนะที่โรงเรียนเนี่ยที่โรงเรียนสุ่มีโรงเรียนแห่งหนึ่งใจิตตเมษอนุบาลเี่ย เวลาเด็กเนี่ยมาถี่โรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองพามาสม่งที่เลีรรมม้ยงพามาส่งครูก็จะเริ่ม ก, กระบวนการเลยจะถามเด็กว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรวิธีตอบคือให้เปิดให้ให้ให้เลือกให้เลือกการเลือกการที่มันเป็นตัวอีโมจิอีโมจิหรือตัวยิ้บึง้ง ร้องไห้แล้วก็ให้เด็กเลือกว่าการ์ดไหนที่มันสะท้อนความรูสึขงตัวในเวลานี้ mm hmm. เด็กอ่านหนังสือไม่ออกแต่เด็กเห็นรูปเด็กพอจะรู้ว่าตอนนี้ไอ้การ์ดตัวไหนที่มันมันแทนใจเด็กนี่ดีที่สุดนะไม่มาเด็กอาจจะไม่คุ้นครูมาช่วยหน่อยแต่พราองไบร้อไม่มเด็กก็จะเด็กก็จะเลือกได้ถูกวิธีนี้เป็นอุบายที่ทำให้เด็กกลับมาดูใจตัวเอง เด็กจะเสียใจหรือเด็กจะดีใจไม่สําคัญแต่ขอให้ามามาเห็นว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรอตาตมาคิดว่าแม้เจ็ดขวบก็ยัง mm. ก็ยั ง, ก, ย ง, ก, ยงก็ยังมีก็ยังมีเวลาที่เราจะทำให้เด็กเขาได้เห็นความรู้สุกของคุยถามเพู่อเสมอว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรนะไม่ใช่เพราะเวลาโรกรแต่เวลาที่มีความดีใจและเด็กเนี่ยมีความสามารถที่จะเห็น ร, รู้รูทันความรู้สึกของตัวเได้ได้ดีบางทีดีกับผู้ใหญ่พระอาจารย์ประสงค์ปริคุณโนเนี่ยเราก็าเคยไปเจอเด็กแปดขวบเป็นผู้หญิงเด็กน่ารักมากนะคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าเขาว่าหนูเป็นเด็กที่ดีเด็กเด็กที่น่ารักหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วท่านก็หยิบรูปพระคำมาใสาาา่ในย่าเด็กเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮูเลยท่านก็เลยถามว่าหนูร้องอูคฮูหนูเห็นอะไร เด็กตอบว่ายังไงเด็กตอบว่าหูเห็นข้างในงมันดีใจสังเกตน้เด็กไม่ตอว่าหนูดีใจนะหนูเห็นข้างในงมันดีใจหูดีใจกับหูเห็นข้างในงมันดีใจไม่เหมือนกันนะหนูเห็นตําหนูเป็นนี่งต่างๆครับท่าถามต่อบว่าลูทำยังไงกม็มันหนูแค่ทําอะไรก็มันค่ะหนูแค่ดูมาเฉยเฉยตอนนี้ความดีใจมันเบาลแล้วความดีใจมันลดลงแล้วอยางจะมาบอกทุกอารมณ์เนี่ย มันกลัวถูกรู้ถูกเห็นหรือว่ามันแพ้แพ้ต่อการเห็นพอเราไปเห็นไปนรู้มันก็สงบนะวันนี้อย่ า, ย า, ยาท้อถอยนะก็พยายามถ้าเด็กโกรธก็พยายามพยาพยามคุยกั น, นนะถามเด็กเพราเด็กเด็กรู้สึกอย่างไรนะถามถ้าเด็กอตอบไม่ได้ก็ลองถามว่าตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงตอนนี้ร่างกายหนูเป็นยังไง หัวใจเป็นยังไงเนียหายใจเป็นยังไงเนี่นลุกไหมใช่ไหมเกรงไหมเกรงตรงไหนบ้างหรือเปล่าถ้าช่วยเด็กนะถามถามดีๆนะไม่เด็กจะรำคาญถามนี่กันแหละกินโกรธถามนี่กแหละจะเอาจะให้ขนมจบจะไม่ให้บอกมาเลยอแล้วมันใจเย็นเนะ่ยพราะความนิ่งของเราเนี่ยความนิ่งของเราเนี่ย มันจะเป็นกระจทกทําให้เด็กได้เห็นตัวเองแต่ถ้าเราว้ายนะเด็กจะส่งจิตออกนอก ท, ทันทีผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคนเราเวลาโกรธเนี่ยจิตมันมีแนวโน้มจะส่งออกนอกไปจดจอ่ยอยู่ที่คนนั้นไปจดจ่อ ย, อยที่คำพูดของเขาธรรมชาติาของความโกรธเนี่ยความโกรธเนี่ยมันกลัวถูกรู้เห็นนะมันก็จะพยายามบังคับจิตให้ส่งออกไปข้างนอกนี่คืออุปบังงความโกรธ พอจิตมาส่งไปขางนอกเนี่ยจิตมันก็จะไม่รู้เท่าทันความโกรธนะเนี่ยเราต้อง เ, อเราต้องรู้ว่าเนี่ยตอนเวลาเด็กโกรธเด็กจะพยายามส่งจิตออกนอกเราก็พยายามที่การที่เราถ้าเราไปไปตอโต้เขาเนี่ยจิตก็ยิ่งพุ่งมาที่เราเนี่ยมัาจับต้องที่การกระทําของเราคาพูดของเราเมื่อสักครู่แต่พอเรานิ่งเนี่ยนะแล้วคำพูดของเราชวนให้เขามันกลับมาก็าจะเห็นใจมันเขามากขึ้น เพ้นผ sí <ide> ู้ใหญ่นิ่งเอาไว้นะแต่ฟังก็ให้มากนะแล้วก็อยากจะที่ว่าคําพูดเขาเนี่ยมันไร้สาระมันมีเหตุมันมีเหตุผลใชแต่เป็นเป็นเหตุผลของเขาเราก็เข้าใจเขาความเข้าใจของเราเนี่ยการฟังของเราเนี่ยจะทําให้เขาฟังแล้วงพ่อแม่หลายคนเนี่ยมันจะบ่ว่าทําไงลูกไม่ฟังพ่อแม่เลยนะหรือเพราะพอลูกโตแล้วอาตมาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ลูกไม่ฟังพ่อแม่ พ, พ่อแม่ไป่ไฟังลูกก่อนต่ไปแก้เวลาลูกไม่ฟังพ่อแม่จะไปแก้ที่ลูกเนยมาแก้ที่ที่ตัวเราพอเราเริ่มฟังพ่อแม่ไอ้พอเราพอพอ พ, พ, พ่อแม่เนี่ยเริ่มฟังลูกเนี่ยทีละน้อยทีละน้อยลูกจะเริ่มฟังเราอันนี้ก็อันนี้ต้องใช้ใช้เวลานะ่ย ว่าจากประสบการณ์ของท่านที่ทา ง, งานเกี่ยวกับเด็กมา เ, เหมือนกันเนี่ยค่ะก็คือว่าอยากถามว่าเราจะมีวิธีชักนำหรือว่ามีวิธีที่จะให้ลูกมีสมาธิหรือว่าให้เขารู้จักเหมือนกับว่าให้สมมติว่าเราไปบอกเขาว่าให้นั่งหลับตาอะไรอย่าเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่มีวิธีการหรือกระบวนการที่จะนำไปสู่การที่เขาจะฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะอันนี้เป็นคําถามแรกแล้วก็คําถามที่2ก็คือว่า อ, อ, อย่างที่ท่านบอกว่าความสุขที่แท้ก็คือการความสุขที่เราได้จากความสงบใช่ไหะอย่างคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคือสําคัญมากเลยเพราะถ้าเราไม่สงบลูกก็จะจัดการลูกไม่ค่อยได้ค่ะที น, นี้ถ้าถือว่าท่านมีวิธีหรือกระบวนการที่จะแนะนำนะคะว่าระหว่างวันหรือว่าะอะไรก็ตามที่เราจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็หาความสงบให้ตัวเองคืออยากได้กระบวนการหรือว่าเทคนิคหรืออะไรที่ท่านแบบ จะช่อสอนให้เราตับมือกัวเองได้ดีขึ้นนะข้อแรกเนื้อเรื่องสมาธิของเด็กเนี่ย อ, อาารั้มบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งเริ่มต้นด้วยการให้เด็กนั่งหลับตานะและมีสมาธิกับลมหายใจนะแต่ว่าให้เด็กมีสมาธิกับกับเรื่องที่มันง่ายๆก่อนนะอาจารย์ตใช้วิธีหนึ่งที่ใช้ได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่นะนะใช้ถั่วจะมีถั่ว แล้วก็เปิดอาจจะเปิดเพลงให้เด็กฟังบอกให้เด็กเนจดจ่ออยู่กับเพลงแต่ถ้าเด็กไปคิดเรื่ององินนะก็ถั่วเนี่ยหยดใส่ใส่แกงเพลิทุกทีมาถั่วหยดทุกที่หยอดนะถ้าทําเป็นวงน้นจได้เสียงกู้เก่งๆตลอดเลยผู้ใหญ่ก็เป็นนะผู้ใหญ่เป็นเยอะ เนคือวิธีให้เด็กเนี่ยเขามีสมาธิต่อเสียงเพลงนะบอกว่าเด็กหนูเนี่ยห น, นูฟังเสียงเพลงไปเรื่อยๆไม่ต้องที่อะไรมากถ้าฟังว่าถ้าไปคิดถ้ามีอวามเช่อเพลงเนี่ยใครร้องเนี่ยอันนี้ก็ยอดได้ละนะนะหรือว่าเพลงที่เคยฟังเพลงทำให้นึกถึงตอนที่ไปเที่ยวที่พัทยานี่อนะก็ยอมไปเลยฟังเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรนะคิดเมื่อไหร่เรื่องอะไรก็ตามก็ยอดเด็กจะ เ, เริ่องค่อยๆค่อยๆเห็นนะว่าเออ เวลาเตือนเขินีันเป็ น, นยังไงพิธีนี้มันช่วยทําให้เด็กนี่รู้รู้ทันอารมณ์ความคิดและการรู้ทันอารมณ์ความคิดเนี่ยมันจะช่วยทําให้วางได้และพอวางได้จิตจะสงบ <c oughs> อาจจนะดกกดเด็กมีสมาธิกับการวาดรูปนะวาดรูปก็ได้แต่บางทีบางเด็กบางที่เด็กวาดรูปเด็กเด็กคิดไปด้วยเพราะนักพยายามพยายามใช้กิจกรรมที่เด็กไม่ต้องคิดมีเพื่อนมีเพื่อนคนนึงเนี่ย แกพาเด็กไปไ ป, ไปในป่าหรือไปในสวนแล้วก็ให้ฟังสาวสาวว่าที่เป็นเสียงเสียงธรรมชาติแล้วก็บอกให้เด็กเนี่ยนะก็จิตใจเนใี่ยอยู่กับเสียงธรรมชาตินะสิ่ง่าล้อมเนี่ยคือสวนหรือป่าเนี่ยมันจะช่วยกับเสียงกับการที่จิตเนี่ยไปจดต่อที่เสียงเนี่ยมันจะมันจะไปที่ไหน แต่ทําให้ติดสมาธิได้เด็กและคนจะรับธรรมชาติและมีสมาธิได้ง่ายกับกิจกรรมแบบนะี้เสียงแบบสิเสียงเพลงแบบไลฟ์ดนตรีที่มันเป็นธรรมชาติเห็นที่หายที่เยอะนะเสียงเสียงบบร้องที่เจ้าเจ้าในป่าเนี่ยนะแล้วก็แต่ไม่ใช่เป็นเสียงธรรมชาติร้วนเป็เสียงเพลงด้วยนะนะแล้วก็อยู่ในสวนนะอาศัยสิ่งรอบในสวนรวมทั้งการช่วยก่อการให้จริงเนี่ย ให้เด็กเนี่ยมีจิตเป็นสมาธิกับเสียงเพลงได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ให้เด็กทำสักห้าถึงสิบนาทีนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะวิธีที่สองเนี่ยเด็กจะชอบมากกว่านะแต่ว่าวิธีแรกเนี่ย ม, ม, มันมันเป็นประโยชน์คือทำให้เด็กเขาได้เห็นว่าเด็กเขารู้ทันเมื่อใจเลือนะ ซึ่งตรงนีมันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เด็กเนี่ยมีสติและสติจะมาใช้สมาธิได้ครานี้เนี่ยขั้นตอที่สองเนี่ยตระมาคิดว่ า, อานอกจากการนั่งสมาธิของพ่อแม่ซึ่งควรจะมีเป็นครั้งคราวหรือวันหนึก็ควรจะมีสักห้าชิสมาธิแล้วเนี่ยการมีสติอยู่กับการทํา ง, งานตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมา เ, นเวลาอาบน้าหูฟังนะก็ให้ใจเนี่ยมาอยู่กับการอาบน้ำหูฟังเพื่อเป็นที่เรื่องอะไร ให้ใช้หลักว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นะั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นนทอะไรก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนหรือเป็นดูดีเป็นใดอาบน้ำถูฟันหรือว่าเก็บที่นอนกวาดบ้านทำครัวก็อย่าไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นเมื่อไหร่ก็รู้ว่ามันธรรมดาแต่ให้กลับมาคือเพื่อฝึกฝึ ก, ฝ, ก, ฝ, กฝึกมีสติและความรู้สึกตัวในชีวิตประจวัน ธรรมดาพ่อแม่เนี่ยมันจะตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้าก็คิดแล้วเดี๋ยวจะทําอาหารให้ลูกกินอะไรเงี้ยถ้าเป็นพ่อกออ็คิดเรื่องงานนะวิธีเนี่มันมันทำให้จิตเนี่ยกังวลโดยใช่เหตนะุการที่จิตเรานี่ไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมาเป็นส า, สาเหตุความทุกข์ของผู้คนมากและคนอย่างเนี้ยนะก็ทุกข์เนะพราะอะไรเพราะจันอยู่กับบดี ไปคิดเรื่องอดนตหรือแม่ก็ไปรออยู่กับอนาคตที่เราหมุนหงินะเวลารถติดก็เพราะว่าใจเราไม่ได้อยู่ที่ที่รถใจเราไปอยู่ที่จุดหมายปลาทางข้างหน้า แ, แต่เราก็ปรัแต่งว่าถ้าติดนานติดนากนกว่านี้เดีย๋ยวจะไปประชุมสายไปส่งรูกช้าตกเครื่องบินใช่ปะผิดนักเพื่อนถามว่าเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่เกิดแต่พอคิดแล้วเนี่ยทุกเลยกังวลเลยหมุนหงินเลยแทนที่จะเสียเวลาก็เสียอารมณ์เลย พอใจมีกับปัจจุบั น, น, นยา r เนี่ยพาใจกลับาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทำเนะวลาทำงานนะใจยอยู่กับงานนะบางคนเนี่ยเวลาทำงานใจก็นึกถึงลูกเลยกังวลทำงานก็ไม่มีความสุขเวลากลับมาบ้านอยู่กับลูกใจก็นึถึงงานนะก็เลยมุ่งเหตุใส่ลูกจรินะงๆไม่ยากแนละ้วเวลาทำงานใจก็อยู่กับงาน เวลายอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกเวลานอนนะหลายคนเนี่ยที่ถึงงานนอนไม่หลับวันรุ่ขึ้นไปทํางานก็เลยง่วงนอนนะง่ายๆนกะ็คือเวลานอนก็นอนเวลาทํางานต้องทำงานนะเนี่ยมันจริงมันปัญหากิจเหมือนง่ายเลยแต่เราทําให้มันยากตัเองนะเวลาทาํางานใจอยู่กับงานวางรูกซ ะ, นะะก่อนเวลากลับมาบ้านใจอยู่กับรูกวางเรื่องงานเวลานอนก็นอนไม่ต้องคิดเรื่องงาน แล้วเวลาคุณทำองไรคก็จะไม่ง่วงนอนพอทําได้นะทำนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทําทีลรอย่างนะเวลาอาบน้ําก็ทําอาบน้ําก็อาบน้ําอย่างเดียวอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะอย่าไปคิดเรื่องทําครัวอะไรทำด้วยใจเต็มร้อยพูดได้อย่าทาด้วยใจคู่ๆหนึนนงกลางอาบน้ําก็ ส0ิรก็รู้สึกอยี่ยวกับการอ่านท่นเจสิเปอร์ซนก็เม่นเรื่องเรื่องเรื่องทำครัวเรื่องลูกนะถ้าถ้าที่แบบนี้ใจมันจะแตกเป็นเสิ่งเสียแล้วก็หาคุ้งส่างนงะ่านแต่ว่า น, นี่เป็นการฝึกสติเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันนะเวลาไปส่งลูกเนี่ยเวลารถติดเนี่ยก็ถือว่านี่เป็นการฝึกเวลาเห็นไฟไฟแดงเนี่ยนะ สัญญาณไฟแดงเนี่ยหลายคนเห็นแล้วหงุดหงิดใช่ไหมต้องมองเออมันกำลังเตือนให้เราเนี่ยดุจฟุ้งซ่านไปแล้วนะดุจบนได้แล้วนะให้กลาอยู่กับลมหายใจนะถ้าเป็เงี้ยรถติดเนี่ยเจ็บไม่ตกนะเพาราะใจเราอกับปัจจุบันแต่เพราใจเราอยู่กับปัจจุบั น, นะบปบนไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่นนอนาคตเราติดทุกนะกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็คือเกิดความกังวลนั้นพยายามพยายามดึงใจกับมันกับปัจจุบันรถติดนั้นจิตให้ตกหลายครั้งเนี่ยนะเวลาเราเจอรถติดเราก็จะบ่นในใจว่าทําไมคนมันคนมันไม่อยู่บ้านกันหรือไงทําไมมันออกมาที่แย่อย่างนี้ทําไมรถทําไมจราจรมันไฟจราจรให้มันเราบ่นทําไมทําไมสารพัด แต่เราไม่เคยถามแล้ว่าทำไมเราต้องทุกด้วยทําไมเราต้องมีเิลดด้วยกับเรื่องนี้เรามีแต่ถามคนโน้นคนนี้ว่าทําไมต้อเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยถามว่าแล้วทําไมเราต้องมีเกียดเราไม่เคยถามว่าทําไมเขาไม่พูดดีกับเราทําไมเขาไม่ทําดีกับเราทำไมเขาไม่เห็นความดีของเราแต่เราไม่เคยถามว่าแล้วทําไมเราต้องทุกกับการกระทําของเขาด้วยทาไมเราต้องทุกกับคําพูดเขาด้วยถามตรงนี้บ้างนะมัทําให้ได้สตินะแล้วก็วางได้ าวันนี้เป็นวันดีนะคะเราได้ความสุขจากการฟังธรรความสุขรู้วิธีหาความสุขแล้วก็รู้วิธีที่จะไปสอนลูกให้ได้ความสุขขออนุญาตนะคะ พอดีว่ามีครูเก่งนนได้เตรียมผ้าไตรจีวรจัดถวายเราจะถวายพร้อมกันเลยดีไหมคะ